ธบัตรบนหล่กว้างเปิดโลกแบบนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะที่เราได้เดินรอนแรงแบบธรรมยาราหลายคนที่มาเดินตั้งแต่วันแร ก, แ, รกแล้วก็คงจะรู้สึกว่า การเดินในวันนี้มันง่ายขึ้นที่เคยป่วยเคยเมื่อยนะก็รู้สึกว่าบรรเท่าเบาบางมันไปอันนี้นเป็นเพราะว่าร่างกายเราปรับตัวได้แล้วก็ใจเราก็เริ่มทําเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะ เดินด้วยเท้าเลียะทางยาวๆแบบนี้ได้แต่สำหรับผู้ใหม่ที่มาเริ่มเดินในวันนี้นะก็ต้องให้โอกาสแก่ตัวเองในการที่จะปรับตัวปรับใจถ้าหากว่ายัางรู้สึกเหนื่อยอยังรู้สึกต้องฝืน อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่วันแรกๆว่ากว่าเราจะปรับตัวได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสมวันพอถึงวันที่4ี่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันการเดินธรรมยาราก็กาลายเป็นธรรมชาติสรัรวผู้ที่มาใหม่เดินวันแรก ถ้าหากว่ามันจะมีความติดขัดทางกายทางใจก็ให้ตระหนักว่ามันเป็นธรรมดาอย่าไปอย่ไปขุนเคืองใจหรือจะไปเอาจิตมาจังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจอย่าไปจริงจังว่าโอ้ยเท้าของฉันขาของฉันนี่จะไหวไหม คนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนเช้าจะเดินได้หรือเปล่าแต่ก็ย่างเท้าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวความมั่นใจก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่เราจะได้ดูใจแล้วก็ดูกายของตัว ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับด้วยใจเป็นกลางไม่ว่าจะความข้องขาที่กายหรือว่าความท้อแท้ในใจก็ดูมันไปแต่ว่าก็อย่าไปจมหรือว่าเอามาเป็นอารมณ์มากนักท้อไนะเปเรื่องธรรมดานะหลายคน ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เดินมานี่เนี่ยท้อหลายครั้งแล้วถือว่าดีนะท้อหลายครั้งเนี่ยกพแสดงว่ามันเป็นเรื่องยากสาหรับเราแต่ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเรื่องยากเราก็ยังพาตัวพาใจมาถึงตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเราได้มีความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้น เราไม่ยอมแพ้แพ้ต่อผ่านท้อแท้และนั้นก็หมายควาว่าทำไม่ยากตอนนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราท้อแท้หลายครั้งแต่ไม่เลิกยังเจอต่อไปดีกว่าท้อครั้งเดียวแล้วเลิกนะนบางคนที่ก็โอ้ฉันท้อหลายครั้งแล้วเกินมาหนึ่งท้อไม่รู้กี่ครั้งอันนี้ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราเข้มแข็ง เพราะถึงแม่ท่อหลายครั้งแต่เราไม่ยอมแพ้ยี่กว่าท่อครั้งเดียวแล้วเล่นเลยอันนี้แสดงว่าอ่อนแอนหรือบางคนท่อครั้งเดียวก็ยังเดินต่อไปแล้วก็คงมีอีกหลายคนที่ไม่ท่อเลยนะก็ยังเดินไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็แสดงว่าธรรมยัตตราอาจจะมีอมีประโยชน์ต่อข้อน้อยลง ในแง่ที่เป็นเรื่องของการจุดฝนแต่แว่าเขาอาจจะเป็นประโยชน์ต่อธรรมญาติตายได้มากขึ้นธรรมญาตาิตายกาเป็นเรื่องง่ายสำหรเขาก็เลยไม่ท้อเลยอาจจะสนุกด้วยซ้ำอันนี้ก็ก็ขอให้ลองขยับนะขยับให้มันยากขึ้นคนที่ปรับตัวปรับกาย ปรับใจได้แล้วลองทำให้มันยากขึ้นอีกหน่อยก็ดีเหมือนกันนะทำให้มันยากขึ้นเพื่อจะได้ท้าทายตัวเองว่าพอเราปรับตัวได้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายพอง่ายแล้วเราก็เลยสบายแต่ถ้าเราลองใช้โอกาสนี้เนี่ยฝึกให้มันยากขึ้น เพอที่ได้เพิ่มเพิ่มความสามารถทางกายและทางใจเลยเพราทางใจสําคัญความสามารถทางกายมันก็ต้องเสื่อมไปตามตามระยะเวลาตามวัยแต่ความสามารถทางใจมันไม่จําเป็นต้องเสื่อมตามกาลเวลาและมันจําเป็นมากในยานที่ร่างกายเริ่มเสื่อมลงไป เราต้องมีสิ่งชดเชยก็คือความเข้มแข็งทาง จ, จิตใจรวมทั้งการมีสติปัญญามากขึ้นถือว่าอันนี้มันเป็นการฝึกมันมีคำคู่ที่ว่ายามสงบเราฝึกยามสึกนะเราสู้หรือว่ายามสึกเรารบ นี่ก็ถือว่าเรามาฝึกตนในยามที่ชีวิตเราสงบราบลื่นบางคนอาจจะคิดว่ามาฝึกมาเดินทำไมทำมาญาติาหรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมกันทำไมชีวิตก็สบายอยู่แล้วถนะุกนะแต่ยังถูกไม่หมดนะเพราะว่าสบายก็จริงแต่เรา แน่ใจได้อย่างไรว่าจะสบายอย่างนี้ไปตลอดนะสุขภาพร่างกายของเราก็มีวันเสริมโซมได้ชีวิตหรือสังขารของเราก็มีวันเปลี่ยนแปลงได้เราสบายในวันพุ่ในวันนี้ก็ไม่ใช่แล้รคำว่าพรุ่งนี้เราจะสบายเพราะคนเราก็หนีอันนี้จังไม่พ้นนะอย่างที่สวยตะลักกีน้นี้มันต้อง เข้าถึงหรือว่าต้องประสบกับความแก่ความเจ็บแล้ในที่สุดก็ความตายว่าเราจะสบายแค่ไหนในขณะนี้เช่นมีสุขภาพดีมีพาระมัยดีมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีงานการที่ก้าวหน้ามั่นคงทั้งหมดนี้มันจะแปรเปลี่ยนไปในวันข้างหน้า ที่สงบราบรื่นในวันข้างหน้าก็จะประสบกับวิกฤตนะเพราะว่าความผันผ ว, วนแปรมันเป็นธรรมดาของของโลกดูตัวอย่างเศรษฐกิจของเุนไทยเศรษฐกิจของโลกนะันเป็นอย่างไรบ้างนะที่เคยกำลังฟูเฟื่องมันก็ฟุบยังไม่รู้ยังไม่ทันรู้ตัว เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีข่าวนะดูใบใครที่เคยอ่านข่าวคร า, าวของดูใบนี่ก็จะเห็นนะว่าเขาจเจริญรุ่งเรืองมากสร้างสร้างเกาะกลางทะเลสร้างโรงแรมใต้น้ำสร้างปราสาราชวังประมาณพันห้องสำหรับราชาตอนนี้ฟุกตสระ ไม่มีเงินใจนี่ส่งแรงกับเพื่อมทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกนีสบายพรุ่งนี้ลำบากเมื่อเราหนักเช่นนี้เราก็ก็ควรจะมาฝึกฝึกปมในขณะที่ยังสบายดีอยู่อันนี้เรียกว่ายามสงบเราฝึกนะเมื่อถึงยามสึกก็คือยามที่ชีวิตมัน กคุกคามด้วยภัยต่างๆเช่นความเจ็บป่วยความพักพราจากคนรักการงานล้มเหลวธุรกิจล้มละลายเราก็จะได้สามารถตั้งหลักได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราตั้งหลักได้ดีกว่าใจที่ฝึกไว้ดีแล้วแค่เดินธรราตราเนี่ยเรา ไม่ใช่มาเดินเพื่อทรมานตนนะบางคนถามว่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าอัตต์ปิเรมาานุโยกมันเป็นมันเป็นทางสุดตรงที่พึงหลีกเลี่ยมเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทรมานตนในความหมายที่ทรมานพราะคิดว่ามันจะปรรลุธรรมได้ การทรมานตนไม่มีทางทำให้บรรลุธรรมได้แต่การฝึกตนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและการฝึกตนนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยมันต้องผ่านความยากลำบากความลำบากมันทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้มแข็งรด้วันก่อนว่าในทุกนี่มันมีธรรมถ้าอยาก เข้าถึงทรก็ต้องเข้าหาทุกข์ไม่มีทางที่เราจะเข้าถึงธรรมได้ถ้าเรามัวแต่หนีทุกข์ถ้าเรามัวแต่แสวงหาความสุขเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องเข้าหาทุกข์เลยให้รู้ทุกข์และเพื่อยกจิตให้อยู่เหนือทุกข์ การเดินธรรมยาตรานี้เราไม่ใช่เพียงแค่เดินเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าตั้งใจให้เดินเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางก็ดีอยู่นะแต่ว่าย้ายถึงแต่ตัวพอ ถ, ถึงที่หมายใจก็ต้องถึงธรรมะด้วยถ้าตัวถึงที่หมายนะแต่ใจไม่ถึงธรรมะนะก็ยังเรียกว่า ขาดทุนนะอาจจะได้เรื่องความความอดทนนะทางกายแล้วก็อดทนทางใจแต่ว่าก็ทำไปด้วยความถูกโดยที่ไม่เห็นถูกด้วยแล้วเราต้องวางใจให้เป็นนะอย่าให้ตัวถึงที่หมายเท่านั้นนะแต่ใจต้องถึงธรรมะด้วยก็คือ ถึงสตนะิเดินแล้วนี่ช่วยให้สติของเราเพิ่มพูนทำให้เราสามารถที่จะเห็นความทุกข์ของกายโดยที่ใจนี่ปล่อยวางไดนะ้ใจไม่ทุกข์ไปกับกายมันทำได้ถ้ามีสติเพราะถ้าไม่มีสติจะเผลอจะลืมตัวก็จะไปเอาความทุกข์ของกายมา เราโดจิตใจทําให้ทุกข์ทุกข์ใจกลายเป็นทุกข์สองทางหรือว่าทุกข์สองอย่างนะคือทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าเราเดินนะเดินด้วยใจเดินด้วยสติไม่ใช่แค่เดินด้วยเท้าหรือไม่ใช่แค่เดินด้วยท้องอย่างที่พูดกันว่ากองทัพเดินด้วยท้อง ธรรมกายตาก็เดินด้วยเท้าแล้วก็ด้วยท้องเหมือนกันใลนะเรื่องกินก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ายังมีที่สําคัญกว่านั้นก็คือการเดินด้วยใจนะการเดินด้วยสตินะเราเดินแล้วนะที่หมายยังไม่พอต้องถามว่าเออแล้วเราได้เห็นตัวเราเองมากขึ้นหรือเปล่า เราได้รู้เท่าทานตัวเองขึ้นไหมเราปล่อยวางความทุกข์เราปล่อยวางความหนุนหนิตำกังวลได้หรือเปล่าหรือว่าเดินไปตลอดทางใจก็บน่นใจก็งองแงนะพอใจงองแงแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะโทษโน่นโทษนี่นะโทษดินฟ้าอากาศโทษแสงแดงนะโทษถนน นะโทษผู้คนโทษรถนะที่มาไม่ขาดสายนะต้องเบียงต้องก็งไม่ต้องปรับขบวนตลอดเวลาบางทีก็โทษคนตีกรองนะทั้งหมดที่มันมาจากใจที่หาเรื่องนะใจที่งองแงใจที่หงุดหงิดเพราะว่าถูกความทุกข์ทางกายเล่นงาน ให้มีสติดูเห็นนะรวมทั้งความท้ อ, อที่พูดการที่ท้อบ่อยๆนี่ก็ดีนะเพราะมันทําให้เราได้ได้รู้จักความท้อรู้จักเห็นมันบ่อยๆก็จะรู้จักมันมากขึ้นเมื่อรู้จักแล้วมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ควรมีความท้อนะ บอกไว้สองสาวันก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจแล้วก็ให้ยอมรับมันอย่าปฏิเสธอย่าดิด น, น่นอย่าพับใสเช่นเดียวกับอะไรเกิดขึ้นกับกา ย, ยาเส้นทางไกลแดดร้อนลมแรงอาหารไม่อร่อยลองเปิดใจยอมรับมันพราที่ผ่านมาเราคิดจะไปควบคุมสิ่งภายนอกตลอดเวลา จะไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวตลอดเวลาเพราะเราคิดว่าเราทำได้เราคิดว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะจัดการกับรูปร่างหน้าตาสุขสมของตัวหรือว่าเรามีเงินที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อมบ้า น, นมันร้อนก็ซื้อเครื่องแอร์มาติดนะหรือว่าถ้ามีขโมย เา ก, ก็จ้างคนมาดูแลหรือว่าซื้อสัญญาการขาโมยมาเราคิดจะจัดการกับสิ่งภายนอกเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองแต่ว่าเราอาจจะลืมไปว่ามันมีสิ่งหลายอย่างรอบตัวเราที่ไม่สามารถจะควบคุมจัดการได้ จึงก็ไม่มีอะไรดีกว่าการทำใจองเช่ง่ายๆรถติดเนี่ยนะหรือว่าไฟแดงนะสีแยกบางสีแยกในกรุงเทพมันไฟไฟแดงมันยาวเหลือเกินในะที่ชัยภูมิภาคย่างโนนไทยก็รถไฟแดงนี่ก็3นาทีแล้วเรากังวลไปลงมุอเหยิดไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้วเราก็ไปจัดการ จะไปสั่งคายให้มาทำให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียเวเร็วๆก็ทำไม่ได้แล้วท่านไงเราก็ต้องทำใจยอมรับมันยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แปลว่าเราต้องรู้จักยอมรับมันก่อนพอมีเงินใจจะทุกข์แล้วถ้าแก้ปัญหาด้วยความทุกข์ด้วยความหมุดหมึดมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้วายลง เช่นเวลาเราจเจ็บป่วยเจ็บป่วยก็ต้องรักษาแต่ว่าการรักษาบางอย่างก็ไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดทุเลาหรือว่าความเจ็บปวดไม่ได้ทุเลาภายในเร็ววันวก็ต้องยอมรับมันเรีนรู้ที่อยู่กับมันให้ได้ธรรมยานตรานี้ก็เป็นการฝึกให้เราเรีนรู้ที่จะอยู่กับความไม่สะดวกความเมื่อยความปวด ค, ความทุกข์ แต่ก่อนเราหนีมันนะมีอะไรก็ปวดก็กินยาเอ๊ะ อ, อะไรก็กินยาหรือไม่ก็หนีมันถ้าเดินคนเดียวฉันก็ไม่เดอฉันก็ไปทำอย่างอื่นแล้วถ้าฉันเบื่อฉันก็หาอะไรมาทำอะไรให้สนุกสนุกแต่ที่นี่มันทำไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความเบื่อเรียนรู้ที่อยู่กับความไม่สะดวกสบายเรียนรู้ที่จะอยู่กับความข่องขัน แล้วจะอยู่กับมันได้ยังไงก็ต้องปรับใจปรับใจปรับใจทำไงก็เริ่มจากการที่เรายอมรับมันเปิดใจยอมรับมันตามที่มันเป็นแล้วมันก็จะทุกน้อยลงอย่าลืมว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกหรือเรามีปฏิกิริยากับมันอย่างไร สิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราทำใจได้เรายอมรับมันได้หรือว่าเรามองเห็นว่าเออมันมีข้อดีนะก็ใจเราก็ไม่ทุกข์แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเราต่อต้านพักสยเราทุกทันทีเลยนะยิ่งต่อต้านหนักเท่าไหร่ขณะที่มันไม่ยอมไปเราก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นนะ นันอยู่ที่การวางท่าทีหรือการวางใจของเราเรื่องธรรมปัญญาตาที่เราเดินทวนกระแสนะปีนี้เราเน้นหนักเรื่องทวนกระแสไม่ใช่แค่ทวนกระแสลำประทาวแต่ว่าตั้งใจใเป็นการทวนกระแสกิเลสซึ่งทวนกระแสน้าก็ทวนกระแสกิเลสมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะ พวนกระแสน้ําเนี่ยมันก็หมายความว่าต้องเดินขึ้นสู่ที่สูงเพราะน้ํามันมาจากที่สูงถ้าเราจะเดินทวนน้ําก็ต้องเดินขึ้นสู่ที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆและการเดินสู่ที่สูงมันก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นต้องเหนื่อยมากขึ้นไม่เหมือนกับการเดินตามน้ําเดินตามน้ําที่มันกลายเป็นการตามกิเลสไปเพราะควาสบายเดินล่องลงมาเรื่อยๆ แต่ว่าถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำเราก็ต้องจาเป็นต้องทวนกระแสกิเลสนยะความรักสบายอาจจะรวมเป็นความเห็นแก่ตัวด้วยเพราะว่าถ้าเราทำอะไรตามใจตัวเราก็อาจจะเลิกเดินเราจเอะอะวุ่วายแต่นี่เราต้องฝึกตัวเองเพื่อเห็นประโยชน์เพื่อนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นนะ เพราการเดินทวนกระแสน้ํามันไม่ใช่ทําเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ไม่ใช่เพราะว่าเก้ปีที่แล้วเราเดินตามน้ำก่นปีนี้ครบสิบปีก็เลยทําให้มันแปลกใหม่หน่อยคือดวนเดินทวนกระแสถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเดินทวนกระแสน้ำนะมันมีความหมายเวลาเราเดิน mm. นะ ตัวกระแสน้ำเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นสู่เดินเข้าใกล้ต้นน้ำมากขึ้นแม้ว่าจะต้องเดินจากต่ำไปหาสูงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำก็จะใสขึ้นใสขึ้นเนี่ยถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำเราจะสังเกตน้ำจะใสขึ้นใสขึ้นป่าก็จะ อุดมสมบูรณ์สิ่งรอบๆก็จะเขียวกระจีมากขึ้นอากาศก็จะดีขึ้นแล้วยิ่มาสู่ที่สูงต่อไปก็จะเห็นวิวทิวทัศที่สวยงามอย่างที่เราเห็นเมื่อวานที่หมอนินขาวแล้วก็ที่นี่ก็เห็นวิวทิวทัศด์ดีขึ้นอันนี้คือรางวัลของการเดินทวนน้ำํำนะเดียวกันเวลาเราเดินทวนกระแสะกิเล แม้มันจะเหนื่อยแม้มันจะยากแม้มันจะลำบากอุปรสรร์เยอะแต่แว่าก็มีรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนก็คือใจเราสูงขึ้นใจเราเบาเบาลงนะทวยภาษากิเลสใจเราจะเบาเบาจากความยึดติดถือมัน่นะความโลภ ค, ความมีค่ตัวมันก็จะถูกลดละใจเราก็จะเบานะอิสระ มันมีป้ายที่พวกเราป้ายพายที่เราถือกันทุกวันนะเขียนว่าเดินตัวกระแสความสะดวกสบายก็จะมีอิสรภาพเป็นจุดหมายถ้าเรายังติดความสะดวกสบายเราไม่มีทางพบกับอิสรภาพนะว่าะจะไปไหนเนี่ยก็ไม่อยากไปถ้าเกิดที่นั้นไม่สบายไม่สะดวกบางคนไม่ค่อยไปสังเวชนีสสถานกันที่อินเดียก็เพราะมันไม่สะดวกสบาย ที่ก็ไปกันใหญ่แต่ไปก็ไปหาความสุดวกสบายก็เลยไม่ได้พบกับความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักจริงๆเ ร, ราติดกับความสุดวกสบายเนี่ยมันจะไม่มีอิสระนะแต่ถ้าเราทวนกระแสความสุดวกสบายหรือผู้อิจารคือทวนกระแสความรักหรือความติดในความสุดวกสบาย ก็จะบอกอิสระภาพได้อิสระภาพก็หมายถึใจที่เบาและใจที่สูงนะก็หมายถึใจที่นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองตัวเองติด ก, กับกิเลสแล้วก็จะนึกถึงตัวเองมา ก, กคนเหนือนใจแล้วก็ต่ําแต่ถ้าเรากล้าแล้วก็สามารถทวนกระแสกิเลสได้ใจเราก็จะสูง เราจะมองอะไรได้ไกลเหมือนกับเราอยู่บนหน้าผาอยู่บนยอดเขาเราจะมองเห็นอะไรได้ไกลไม่ได้เห็นแค่ใกล้ๆเหมืนอนกับเวลาอยู่ที่ต่ํายิ่งถ้าอยู่ที่เหวด้วยเนี่ยมันเห็นอะไรไม่ไม่ชัดเลยแคบแคบแต่พออยู่บนที่สูงหรือว่าใจสูงก็จะเห็นอะไร ก, กว้างกว้างไกลนะถ้าการเห็นยิ่งอยู่บนที่สูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่ง จะอยู่เหนือสมมติมากขึ้นเท่านั้นอย่างเราอยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนคนนึงสมวมสร้อยทองสวมแหวนเพชรอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยถ้าอยู่ที่ต่ำจะเห็นความแตกต่างแล้วเกิดความชอบความชังเกิดการให้ค่าว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดี แต่พออยู่บนที่สูงอย่างอยู่ตรงนี้อยู่หน้าผาเนี่ยคนรวยคนจนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราเห็นเหมือนกันเลยใครจะใส่แวนเพชรสร้อยทองเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกับคนที่สวมเสื้อผ้ารอนๆเพราะเราเห็นเหมือนกันนะจากที่สูงมองมาทิศใต้เนี่ยคนรวยคนจนนี่มันเหมือนกันหมดความรวยความจนไม่มีความหมายเราไม่มีความแตกต่างเลยระหว่าง คนฝรั่งคนจีนหรือคนไทยหรือว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะมองจากที่สูงไปไม่มีความแตกต่างคือเป็นมนุษย์เหมือนกันนะยิ่งนะยิ่งอยู่สูงจนกระทั่งสมมุติว่าอยู่จนอยู่เหนือจากโลกไปหลา ย, ลายสิบกิโลเห็นแต่โลกเป็นผืนเดียวกัน จะไม่เห็นพรมแดนประเทศชาติว่ามีประเทศจีนมีประเทศลาวนี่เป็นเขมรมันไม่มีเลยนับบินอวกาศที่อยู่ที่โคจร อ, อยู่รอบรอบโลกหรือที่ดวงจันทร์นี่เขาเห็นแต่โลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งเป็นประเทศเพราะประเทศนั้นเราแบ่งกันตามสมมตินะ ใจที่สูงเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดปัญญาที่จะเห็นได้ว่าโอมนุษย์เรานี่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่มีความแตกต่างระหว่างคนพูดกับคนอิสลามไม่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนคนฉลาดคนโง่อยู่แม้กระทั่งมนุษย์กับสัตว์นะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเดียวกันหมดเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมโลกร่วมสองสารวัตรนาใจที่สูงนี่มันจะเหนือสมมตินะ ก็คือเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันกนรเดินทวนกระแสนี่มันมีอ น, นิสงส์มากถ้าไม่ใช่เป็นแค่เดินทวนกระแสน้ําอย่างเดียวแต่ว่าเดินทวนกระแสกิเลสรวมทั้งเดินเดินทวนกระแสความหลงลืมธรรมชาติคนเราเนี่ยโดยปกติก็จะหลงลืมด้วยเหตุนี้เราก็เลยมีความโกรธเรามีความเกลียดเรามีความอยากเรามีความทุกข์ ก็เราลืมตัวทั้งทั้งที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันทําให้ทุกข์แต่เพราะความลืมตัวทําให้เราเนี่ยยิ่งยึดติดกับสิ่งที่เราเกลียด เ, ยเราเกลียดอะไรมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยึยิ้มนึกถึงสิ่งนั้นมากขึ้นเราโกรธใครเราเกลียดใครเราก็จะนึกถึงหน้าคนนั้นเนี่ยมาก เรทำ้าที่ยิ่นึกถึงก็ยิ่งทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับก็สลับไม่ไดนะ้แล้วทำไมเราถึงทำ้ายตัวอย่างนั้นก็เพราะลืมตัวเชื่อวมวเมัเดือนเมษายนนะมีมีมีเหตุการณนะ์หนึ่งนะเราคงจำได้บางอีการชุมนุมกันนะของคนเสื้อแดงนะ แล้วก็ก็เป็นข่าวคราวไปทั่วประเทศที่บ า, านยาอตมาเนี่ยนะมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับเหตุการณ์ของหลายคนก็คือว่าพี่เนี่ยเชียเสื้อเหลืองน้องเชียเสื้อแดงในช่วงสงครามก่อนสงคราม น, น้องก็ดูโทรทัศน์ซึ่งรายงานข่าวของเสื้อแดง ที่มาเห็นก็ไม่พอใจก็ว่าน้องว่าดูมันไปทำไมไอ้พวกนี้น้องก็ลำคาญก็เลยอ่ะไม่อยากต่อแล้วต่อเฉียงก็เดินหนีออกไปผ่านไปชั่วโมงหนึ่งน้องกลับมาก็เห็นพี่สาวกาลังดูโทรทัศน์ช่องเดียวกันดูข่าวรายงานเสื้อแดงดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปมันก็แปลกนะทาไม เราไม่อยากให้ใหน้องดูแต่เรากลับดูเสียเองและที่มันแย่ก็นะั้นคือทั้งให้ดูแล้วทุกข์แล้วดูไปทําไมดูไปก็ดา่าไปดูไปก็ดา่าไปแล้วแต่วางไม่สามารถจะละเลิกจากสิ่งนั้นได้นี่พเพอแหละเพราะความลืมตัวถ้าความลืมตัวทําให้เราเนี่ยเข้าไปพัวพันยึดติดกับสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราโกรธ และมันก็เผาล่นจิตใจหรอและเพราะความลืมตัวนี่แหละที่ทำให้เวลาเดินธรรมยาาตราเยมันทำให้เราทุกข์เพราใจก็จะคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงใจมันก็จะบนโวยวายเพ่งออกไปที่นอกตัวโทษคน้นโทษคนนี้เมื่อกี้มีเสียงดังนะเด็กอาบน้ า, นานกัน หลายคนก็อายุสุดหมดหงิดที่มีเสียงมารบกวนแต่ที่ที่เสียงเรานั้นมันก็ไม่ได้รบกวนมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไงมั น, สนเสียงมั น, นก็เบ า, ากว่าเสียงไมโครโฟนที่ธรรมากําลังพูดแต่พอเราไม่ดูใจของเราเนี่ยเราก็จะไปเพ่งที่ เ, เด็กที่อาบน้ําส่งเสียงดังแล้วพอเราใจเราไปเพง่งตรงนั้นก็ไปยุดเป็นติดแล้วก็เลยทุกข์ เราดื่มดูใจของตัวก็เราไปเพ่งออกนอกนะธรรมชาติคนเราพอเพ่งนอกก็ดื่มในก็คือลืมใจแล้วก็เลยทุกเนี่ยแล้วก็เลยฟังที่อาตมาพูดเนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ปฏิบัติต่อก็เรียกว่าเสียโอกาสใจตัวเองใจก็ทุกแล้วก็ยังไม่ได้ยังฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่ต่อเดืองนี่พราะอะไรพรดื่มตัวนะแล้วถ้าเรา และการดึงตัวเป็นที่อะไรที่ทําให้เราเวลาเราเดินธรรมะาติในี่มันทุกขนะ์มีคนเขาบอกว่าเดินอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาธรรมะญาตาก็เหมือนกันนะเดินคนเดียวให้ระวังความคิดเดินกับมิตรให้ระวังวาจานะีถ้าเดินคนเดียวความคิดมันเล่นงานเราได้นะและ ถ้าเราเดินกับเพื่อนๆอนดไม่ได้ที่จะพูดคุยกันเราต้องระวังสองอย่างลองความคิดแล้วก็ระวังวาจาซึ่งมันก็ไปด้วยกันนะพอไม่ทันความคิดมันก็พูดคุยเรื่อยเปื่อยกับเพื่อนถ้าเรามดุดจิดทดไม่ไหวแล้วก็บ่นให้เพื่อนฟังซึ่งก็อาจจะทำให้เพื่อนรําคาญเพราะเพื่อนก็อยากจะเดินสงบสงบนะ กพรังการเดินทวนกระแสกิเลสเนี่ยมันมันมันมีความสำคัญก็อยากจะให้ธรรมญาตรัส น, นี่มาเป็นโอกาสหรือเป็นแบบฝึกหัดให้เรานะเดินทวนกระแสความหลงความลืมนะเดินทวนกระแสความรักสบายหรือว่าถ้าใครมีวมันยิงแกตัวเยอะๆก็ควรจะใช้โอกาสนี่เดินทวนกระแสความยิงแกตัว เพราะอย่างที่พูดไปเมื่อวันก่อนว่าถ้าเราเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เราจะทุกข์ง่ายมากเท่านั้นแต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นมากเราจะทุกน้อยเราจะสุขได้ง่ายเราเรียนรู้ว่าจะเป็นผู้สุขง่ายและทุกยากได้อย่างไราการเดินธรรมยานตานี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกตนในส่วนนี้ด้วย พอไม่งานเนี่ยชีวิตที่มันต่างกระแสความสุดวกสบายกระแสตามกระแสบริโภคนิยมจะทําให้เราเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากแม้มีสิ่งเสฉิ่งบริโภคมากมายมีสิ่งอำนวยความสดวกมากมายก็ยังไม่มีความสุขไปทุกข์กับเล็กเล็ก น, น้อยเรื่องสินค้าแบรนด์เนมเรื่องข้าของเครื่องใช้เรื่องเสื้อผ้าเรื่องรองเท้าเดี๋ยวนี้ทุกข์กันเพราเหตุ น, นี้ หรือว่าทุ ก, กันเพราะว่าทรงผมทุ ก, กันเพราะว่าเสื้อผ้าหรือว่าสีผิวหรือว่าความแห้งนะความเชื่อของผิวหรือบาง ท, ทีกระทบผ้าลักแล้ดำมันจิบจ้อยมากนะ่ยนี่แหละคือสิ่งที่ เป็นทุกข์กันเวลานี้ถึงเรียกว่าทุกวันนี้เราเนี่ยทุกข์ง่ายจะสุขยากพอไปติดกับเรื่องเล็กเล็กน้อยๆ้อยก็จิตฤทธิ์แบบนี้แต่มาเดินทธรรมะญตาติฟานี่จะไอ้เรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยแล้วเราจะรู้ว่าโอ้มันเพียงแค่ได้มีลมพัดเบาเบ า, เบามีนั้นกินไม่ต้องเย็นก็ได้ไม่ต้องหวานก็ได้ แต่หวานก็ดีนะก็สุกได้นะแต่ก่อนไอติมนี่ก็ต้องไอตินขึ้นห้างจต่เดี๋ยวนี้ช่นี้ไอติมไอตินเข็มไอติมวอนี่ก็รีดเข้าไปหาแล้วทัชชินยิ่กรุงเทพนี่ไม่ไ ม, ไม่แลเลยท่นนี้ก็เรียกว่าสุกง่ายทุกยากได้เหมือนกันนะ แล้วก็คำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้ต่อไปไปได้เข้ากิจกรรมซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะนนี้